ทำยังไงดีอยากดังบทความโดยดังตรินจัดทาโดยธนรวีรัตนศิริอภิรัตถ์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากดังแต่ไม่มีใครยอมให้ความร่วมมือไม่ช่วยกันยอมรับว่าคุณดังงั้นทํายังไงดีเมื่อหาป๋าดันหรือแม่ยกไม่เจอก็เหลือทางเดียวคือคุณต้องช่วยดันตัวเองแล้วละ่ะ ใครจะหาว่าอยากดังจนหน้ามืดก็ยอมใครจะอยากทนเป็นคนที่ไม่มีใครจาหน้าได้ก็ช่างคุณคนหนึ่งหลักที่ไม่เอาด้วยการเป็นคนดังคนพิเศษในสมัยนี้ที่จะให้นึกถึงก่อนเพื่อนคือดารานักร้องและถ้ายิ่งเป็นได้ทั้งดาราและนักร้องที่ประสบความสาเร็จก็ยิ่งดังแบบถึงใจพระเดชพระคุณชาวโลกเข้าไปใหญ่ ดาราเป็นพวกที่มีรัศมีฉายจับตาฝรั่งเรียกว่าคาริสมาเป็นที่ทราบกันว่าแก่นของรัศมีที่ดึงดูดสายตาและความสนใจจากคนอื่นได้อยู่ที่ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นความเชื่อมั่นชนิดสูงเกินมนุษย์ธรรมดากระทั่งพลังความเป็นตัวตนเข้มข้นพอจะกอ่อกระแสะแม่เหล็กเบีเ่ยงเบนความสนใจใครต่อใครให้หันเหจากสิ่งอื่น มาจดจอ่อกับตัวตนของเขาหรือเธอได้พูดให้ฟังง่ายที่สุดอัตราของคุณยิ่งโตขึ้นเท่าไหร่แนวโน้มคือคาลิชมาของคุณจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่นั่นก็เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างคนทำวิจัยเพราะบางคนอัตราโตมั่นใจในตนเองระดับฮิตเลอร์เรียกพี่ก็ไม่ได้น่าสนใจไม่ได้สะดุดตาชวนมองเสมอไป บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าตัวตนของคุณเข้มข้นดึงดูดความสนใจชาวบ้านขึ้นมาได้เป็นครั้งเป็นคราวเหมือนกันอย่างถ้าชนะเลิศในเกมการแข่งขันหรือง่ายกว่านั้นเช่นตื่นเช้าไหนสดชื่นเป็นพิเศษพลังความสดชื่นนั้นก็ก่อให้เกิดกระแสความเชื่อมั่นในตนเดินโชบไปทั้งไหนก็เหมือนมีอำนาจชักจูงสายตาให้มาสนใจคุณได้เป็นตน้น แต่คนธรรมดาจะมีคาริสมาแบบกระเซ็นกระสายกระปิกกระปล่อยเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนดาวราจะมีคาริสมาฉายแรงเหมือนมั่นใจในตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าปรากฏตัวทีไรคนก็ให้ความสนใจข้าพเจ้าทุกทีบ่อยเข้าก็ปักใจมั่นอยู่กับภาพที่ตนเป็นโคดเพชรโคดแม่เหล็กถาวร พลังเข้มข้นในตัวจะตกแต่งให้ยุริยาท่าทีแววตาน้ำเสียงตลอดจนรายละเอียดทั้งหมดดูตั้งมัน่นมีความเป็นตัวของตัวเองไม่โอนเอ็นตามใครง่ายๆทุกคนต้องหันมาสนใจและพยายามเอาตามข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวหัวใครก็ไม่น่าเห็นเท่าหัวของข้าพเจ้าเลยนอกจากพลังความเชื่อมัน่นอันเป็นคาริสมาแล้ว รูปร่างหน้าตาก็เป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้ได้เปรียบชาวบ้านต่อให้ใครมีกระแสดึงดูดสายตามาจับแต่รูปร่างหน้าตาดูตลกเตี้ยล่ําดํากร้านคนจับตามองก็อาจจ้องไปคําไปนินทาไปด้วยต่างกับพวกหน้าตาชวนฝันและมีความมั่นใจนั่นแหละแจ้งเกิดในวงการมายากับเขาได้ สรุปคือถ้าคุณอยากดังด้วยการเป็นดาราดังก่อนเกิดก็จำเป็นต้องกดปุ่มเลือกกันนิดหนึ่งต้องสวยสุดหล่อสุดกันหน่อยหรือถ้าจะขี้ริว้วก็ขี้ริ้วบรรลือโลกชนิดเห็นละขำขี้แตกไปเลยนั่นแหละถึงจะเป็นดาราได้อีกแบบแต่ถ้าสำรวจตัวเองยอมรับแล้วว่ารูป ก, ก็ไม่หลอ่อพ่อแม่ไม่คอยให้กาลังใจคิดการใหญ่ไม่เคยสาเร็จ แต่รวบรวมเบ็ดเสร็จแล้วยังอยากดังอยู่ดีอย่างเนี้ยจะทำอย่างไรก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีใครใช้รัศมีจับตาได้ด้วยความอ่อนแอคุณต้องฝึกให้ตัวเองเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองกล้าคิดกล้าทำอะไรดีๆแตกต่างจากคนอื่นโดยไม่ต้องถามใครให้แน่ใจเสก่อนว่าจะเอาดีไหมเริ่มเมื่อไรใครจะว่าทาตัวแปลกหรือเปล่า คอยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่ามีผู้คนเยอะแยะนั่งอยู่ที่ป้ายรถเม์เห็นคนตาบอดกำลังจะข้ามถนนบกไม่เท้าขอทางข้ามจากรถราเก๊เก๊กังๆทุกคนนั่งดูกันหมดว่าจะข้ามสำเร็จไหมจะมีใครอาดหาลุกขึ้นมาพาคนตาบอดไปสู่จุดหมายอีกฝั่งแล้วมีคุณคนเดียวเดินอาดอาดไปพาเขาข้ามแน่นอนคุณย่อมเป็นจุดรวมสายตา รัศมีที่ฉายออกมาคือชั้นลูกก่อนตัดสินใจก่อนโดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของใครๆรัศมีจะฉายจับตาอันเกิดจากความกล้าคิดดีกล้าทำดีนั่นเองคือรัศมีดึงดูดตาชนิดที่ทำให้คนเห็นนึกชื่นชมปรากฏในปัจจุบันมากขึ้นทุกทีด้วยการสะสมความดีอย่างไรก็ไปฉายชัดเช่นนั้นในชาติหน้าด้วย เรียกว่าเป็นผลของกรรมที่แจ่มชัดทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันที่จริงกระแสความเป็นคนพิเศษฉายตั้งแต่ตอนที่คุณทำอะไรต่างจากคนอื่นเพียงแต่พิเศษนั้นมีทั้งดีเป็นพิเศษกับแย่เป็นพิเศษเช่นคนส่วนใหญ่พอโกรธแล้วอยากจะแสดงอารมณ์ร้ายไตรกระจชกหกหากได้ถึงมึงถึงน่ากลัวกว่า ก็น่าลำพองกระยิมใจเป็นพิเศษอย่างนี้เรียกว่าแย่เป็นพิเศษแต่แค่คุณคิดว่าโกรธแล้วทำไมต้องทำหน้าบึง้งทำไมต้องอยากตะคอกทำไมต้องเหมือนคนอื่นเปลี่ยนให้ต่างจากคนทั้งโลกไม่ได้หรือแล้วแล้วคุณก็เลือกที่จะเป็นพวกโกรธแล้วไม่ขู่กันด้วยกิริยาไม่ทำตากราวจ้องกันแทบถลนอดทนเปลี่ยนคาหยาบในหัวให้เป็นคาสุภาพ ไม่ระคายโสดกันเท่านี้คุณได้ชื่อว่าแน่แล้วทำดีที่ใครๆทำได้ยากแล้วเมื่อกระแสของคุณเข้มข้นมากเข้าเชื้อของความเป็นคนดังจะเริ่มส่องประกายคือสุขสว่างโดดเด่นแตกต่างจากชาวบ้านได้สมในยากกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงหอมหวนเป็นที่ร่ำลือได้ ก่อนอื่นต้องอาศัยฐานกรรมที่สำคัญคือเป็นผู้มีความบริรสุทธิ์ในศีลหักห้ามใจในสิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายเขาหักห้ามกันยากนั่นเองครับ